บัทนี้จกสแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธทุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งคำถามที่เกี่ยวกับความวันไหวทางจิตใจซึ่งปิสมิตยะมานุ์ได้กลับทูลถามพระผู้มีรพระภาคเจ้านั้นความวันไหวนั้น เกิดขึ้นจากเหตุที่มีอยู่ภายในจิตของแต่ละบุคคลดังนั้นท่านจึงจะนกตัวเหตุที่ให้เกิดความหวันไหวเอาไว้หลายประการประการแรกก็คือหวันไหวเพราะตัณหาเป็นเหตุตัณหาคือความทยานอยากแห่งใจที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายนั่นจะมีความวันไหว เมื่อแรงปรารถนาในอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นครอบงำใจและจะวันไหวไปโดยลําดับในชันกล้องการสแสวงหาดิ้นรนต่อสู้เพื่อได้มาถึงสิ่งแบบนั้นพอได้มาอยู่ในครอบครองแล้วก็วันไหวกลัวสิ่งนั้นจะเสื่อมสลายหายไปพอสิ่งนั้นแปรไปปรวนไปเสื่อมสลายแตกทําลายไปก็วันไหวไปด้วยความโศกความ ร, ร่ําครวญพิริพิไรํารพันด้วยประการต่างๆ ด้า น, นความวา่นว้ในสายนี้สาบใดที่ยังเป็นบุตุชนอยู่ก็คงจะมีความวุ่นว้อยู่แต่จะมีมากมีน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจของบุคคลก็มีความสงมบมีปัญญามากน้อยแค่ไหนเพียงไงที่สามารถสามารถหยุดความคิดในบางสายลงไปได้สามารถคมความรู้สึกบางกระแสลงไปได้หรือสามารถตัดได้ ในบางอารมณ์ความมันไววก็จะลดลงไปความมันไว้อีกลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นมาจากทิฏฐิคือความเห็นคือบางครั้งบางคราวเป็นความดื้อรั้นยึดถือความคิดความเห็นที่ไม่ยุติโดยเหตุผลต่างๆและในที่สุดก็จะกระทบกระเทือนใจเกิดความหวั่นไหวเกิดความไม่พอใจในเมื่อใครปฏิเสธ วิิของตนวันนี้พึงสังเกตว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกน่าสะใ จ, จใจอยู่ประการหนึ่งคนเราเวลาคุยกันเรื่องอะไรก็พอคุยกันไปได้แต่ถ้าพอคุยเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับลทัทธิเกี่ยวกับาศาสนาหรือเกี่ยวกับข้ออัดข้อธรรมที่ไม่ค่อยยุติกันแล้วอย่างสำนวนที่พูดกันว่าธรรมะทํามวย คือพอพูดธรรมะ ก, กันพักเดยียวก็เกิดทะเลาะ ก, กันอะไรเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความหวั่นไหวภายในจิตใจรุนแรงอย่างนั้นบุคคลก็จะพบความจริงว่าเป็นเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นที่ดื้อรั้นจนเกินไปประ ก, กันความเห็นในลักษณะปักใจฝังใจลงไปแล้วก็ยึดถือไม่ยอมผ่อนคลายในความคิดเห็นเหล่านั้น อย่างที่ทรงใช้คําว่าเป็นการยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงความยึดถือเหล่านั้นถือเอาจริงเอาจังว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นพอใครมีความคิดเห็นว่าเป็นอย่างอื่นขึ้นมาก็จะมีการต่อรัตอเจียงกันความแตกแยกในหมู่นักวิจารณ์จึกเป็นความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากทิฏฐิคือความเห็น ซึ่งไม่ลงกันไม่ตรงกันที่ทนั้นที่จริงเป็นกิเลสที่ปิดบังปัญญาของบุคคลเอาไว้ถ้าหากว่าปริมาณของปัญญามีความสูงขึ้นบุคคลก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นเหตุเป็นผลหรือโดยความเกี่ยวข้องกันหรือโดยความที่เชื่อมโยงถึงกันการต่อรอดต่อเฉียงการถกเฉียงต่าง ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์ไม่ตกเฉียงกับชาโลกไม่ต่อรต่อเฉียงกระชาโลกมีแต่ชาวโลกไปต่อรอต่อเฉียงกับพระองค์เท่านั้นเองตอนนี้เป็นพระไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นทิฏฐิสัมป ANA คือสมบูรณ์ด้วยความเห็น ที่สามารถจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในฉั้นสมมติปัญญัติก็ได้ไปถึงสถานที่นั้นสิ่งนั้นเรียกอย่างนั้นก็เรียกอย่างนั้นแต่แตท้จริงแล้วก็ทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติกันเป็นการกําหนดหมายให้รู้กันว่าสิ่งนั้นเรียกอย่างนั้นสิ่งนี้เรียกอย่างนี้พอไปบ้านอื่นเมืองอื่นก็เรียกชื่ออย่างอื่นก็เรียกชื่ออย่างอื่นไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอไปต่อรอต่อเทียงอะไรกันนั่นก็คือด้านของโล ก, กสมมติ จะเป็นเรื่องการสมมติการกำหนดหมายของชาวโลกครแต่ในแง่ของความจริงอย่างแท้จริงก็ทรงเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาแต่เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับปุถุชนพระองค์ก็พูดในแนวของการสมมติการปัญญากันได้ปัญหาเรื่องจิตินั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากข้อนี้จะพบว่าความเข็นบางครั้งบางคราวนั้น เป็นการจับเป็นการยึดไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นขาดการประนีประนอมในทางความคิดขาดการเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นของความคิดในเร่อนั้นแต่ถ้าบุคคลได้มีปัญญาพิิจพิจารณาถึงความจริงอาจจะไม่ใส่ใจถึงรูปแบบของความคิดหรือถ้อยคําประโยคประทานที่ใช้ไปในเรื่องเหล่านั้น แต่จะมองทุงผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นจากความคิดในแนวนั้นว่าจะหนุยผลเป็นอย่างไรทั้งในที่สุดก็จะสามารถประนีประนอมกันในด้านความคิดได้คราวนี้เพืเห็นตัวอย่างแม้แต่การประพฤติปฏิบัติระดับที่เราเรียกประกรรมฐานซึกมุ่งที่จะกระจัดตัณหากระจัดทิฏฐิกระจัดปณ ะ, ะโดยตรงแต่บางครั้งบางคราวก็มาเกาะมาติดอยู่ที่ทิฏฐิ คือความถือรันโดยขาดเหตุขาดผลเป็นหลักในการพินิษพิจารณาบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นศีลปฏิัตประมาทหรือถือมั่นในแนวการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแต่ถ้าผู้มีปัญญาได้พิจารณาให้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอุบายอยู่ิธีที่จะทจํจาจิตใจของตนให้สงบเท่านั้นจะทํำยังไงก็ได้เมื่อสามารถสงบนิวรณ์ได้ การกำหนดระลึกเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะของสมถกรรมฐานกรารทช้ปัญญาพินิจพิจารณาอะไรก็ได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นจริงตามพระตรรักรูเกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยปัญญาชอบก็ถือว่าเป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานความปณีประนอมในด้านความเห็นก็จะบังเกิดขึ้นปนัญหาเรื่องทิฏฐิที่ไม่สามารถผ่อนคลายได้จึงเป็นเรื่องของ ความโยกครอนหวั่นไหวทางใจที่ตัวเองเกาะยึดเอาไว้และกลัวตัวเองจะเสียสถานะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายของพระพุทธศาสนาและในสายของโลกเองความแตกเร้าอย่างรุนแรงจนกลายเป็นสงครามหรือจนกลายเป็นลทัทธินิกายต่างๆนั้นก็เกิดมาจากทิฏฐินั่นเองเป็นตัวกาหนดให้เกิดความแตกแยกกัน แม้คณะสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาบางยุคบางสมัยก็แตกแยกกันเป็นนิกายถึง18นิกายดูไปดูมาแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นคือแต่เล่ฝาฝันนั้นมีทิฐิความดื้อรัน้นอยู่ภายในใจจนไม่สามารถประนีประนอมได้ในสุดก็แตกแยกกันออกไปความแตกแยกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาทุกยกุคทุกสมัยจึงมาจากสองแหล่งใหญ่ๆแหล่งแรกคือความไม่เสมอกันในด้านการประพฤติปฏิบัติ ดิสันใช้คำว่ขาดหลักศีลสามัญญาตาคือขาดความเสมอกันในด้านศีลแดงที่สองก็คือเกิดขึ้นจากขาดทิฏฐิสามัญญาตาคือมีความคิดความเห็นในเรื่องเดียวกันไม่ลงกันหรือไม่มีการประณีประนอมกันในด้านความคิดปัจจัยที่ให้เกิดควา ม, มวั่นวายอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของมานะความถือตัวถึงความเป็นในฐานะต่างๆ อย่างที่เคยกล่าวจำแนกมาแล้วโดยพิสดารเมื่อพูดถึงเรื่องมานะมา น, านั้นเอสามารถที่จะกระจายตัวเองโดยความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นและความรู้สึกเหล่านั้นบัดครั้งบางคราวก็เจือเจือกันหมดทั้งตันหาทั้งมานะทั้งทิตชิคนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีที่ปรารถนาความเป็นบางอย่าง มันมีอยู่ทั้งตัณหาและทั้งมานะปะปนอยู่ในความปรารถนาความเป็นเหล่านั้นแตแรงของตัณหาออกจะสูงกว่าแรงของมานะเพราะตัวเองยังไม่ได้เป็นพอได้เป็นอะไรตามที่ตัวต้องการจะเป็นขึ้นมาก็าเกิดมานะคือเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เมื่อไปในสถานที่นั้นควรจะรับการรับรองต้อนรับให้สมเกียรติอย่างนั้นอย่างนี้ นี้แสดงว่าใจเริ่มหวั่นไหวเป็นการคาดหมายล่วงหน้าว่าตนควรจะรับต้อนรับอย่างนั้นอย่างนี้พอไปถึงได้รับการต้อนรับอย่างที่ตัวคาดหมายเอาไว้ก็หวั่นไหวได้วยแรงควาตันหาสูงขึ้นเพราะมีการสนองตอบความต้องการของตนที่คาดหมายเอาไว้ <c oughs> ที่นี้ในกรณีที่ไปเจอการประพฤติปฏิบัติที่ตนรู้สึกว่าไม่สมเกียรติไม่ให้เกียรติกันจิตก็หวั่นไหวหักออกไปในด้านของ โสะหรือด้านของโทมนัมีความไม่พอใจความรับแค้นใจอีกดหนัดใจบางครั้งบางคราวก็แสดงออกมาในลักษณะที่รุนแรงและในขณะที่ตนเป็นอยู่นั้นก็มีความหวั่นไหวต้องการที่จะให้คนทั้งหลายยอมรับสถานะของตนที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คนหนึ่งว่าเหมือนกระช้างที่จูง่วง เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วก็ทรงสั่งสอนบุคคลผู้ปฏิบัติไว้ว่าอย่ามีลักษณะชูงวงเพราะการชูงวงไปในลักษณะนั้นอันก็เหมือนกับพวกมแมลงป่องชูหาเหมือนกับช้างชูงวงที่คนที่ไปด้วยมานะให้ความสําคัญเกี่ตัวเองต้องการเชิดชูตัวเองและต้องการให้คนอื่นเชิดชูตัวเองจะมีใจิตใจสงบลงได้ยาก เพราะว่าคนทั้งหลายนั้นเขาอาจจะไม่รู้หรือเขารู้แต่เขาอาจจะไม่ยอมรับหรือเขายอมรับแต่ไม่สมใจที่ตนคาดหมายเอาไว้จิตก็พร้อมที่จะแปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยแรงของมานะบางตานหาบ้างและในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวก็ด้วยอาศัยความเป็นของตอนนี้จะมีความว่าความรู้สึกว่าทุกคนต้องเจาะฟังตนทุกคนต้องคล้อยไหวต้องต้องอ่อนไหวตาม ต้องยอมรับนับถือความคิดความเห็นของตนแสดงพระมาณ น, านี้ก็เพิ่มทิฐิขึ้นมาก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้น์จะพบว่าตาหามานาทัทิฐิที่มักพูดกันอยู่เสมอและในชั้นของการเจริญวิปัสนาจริงๆตุลาก็ส่งเน้นให้รู้ความจริงตามภาะเสริฐรักเพื่อถอนตอนอะไรถอนตาหามานัตทิฐิให้เข้าใจสิ่งที่เราอยากได้ด้วยตันหาว่า แท้จริงแล้วมันศักแต่ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เท่านั้นเองสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอํานาจของทิฏฐิก็มองเห็นว่าธรรมทั้งหลายเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวใช่ต น, นอะไรแต่ความคิดความเห็นเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุตามปัจจัยตามเงื่อนไขต่างๆที่เข้ามาประกอบไอ้สิ่งที่เคยยึดเคยถืออาจจะถูกต้องในที่หนึ่งแต่อาจจะไม่ถูกต้องในที่หนึ่งก็ได้ ในด้านของมานะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นของการสมมติก็สอนน่ายอมรับสมมติประมาณนะใช้ในแง่ของธรรมะก็ได้เนื่องจากเป็นเรื่องของละเอียดเป็นเรื่องธรรมะที่ละเอียดเป็นสังโยชน์นระดับสูงคือแม้แต่พระอนาคามีก็ละไม่ได้กาดแต่มานะที่หยาบที่กระด้างจนกลายเป็นความยึดถือในความเป็นในสถานะของตัว ก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเนื่องจากมีตันหาเป็นตัวเชื่อมตือตัวหล่อเดียงอยู่เวลาได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะยึดถืออยู่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองและในที่สุดก็ต้องการเป็นอีกเช่นสมมติว่าได้ยศได้ศักได้ตําแหน่งจะเป็นทางพระหรือทางคารวะก็ตามในปีนี้เมื่อปีก่อนนั้นก็อยากเป็นอย่างที่ได้เป็นอยู่ในขณะนี้ แต่พอถึงอีกปีหนึ่งลูกข่าวจะมีการเลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกระแสะของตัญหาก็วิ่งเพื่อต้องการเป็นอีกสแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบุคคลจะมีความยินดีเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในสื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจริงๆนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงในทางสูงขึ้นไม่ต้องการในทางปรีดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ต่ำลง แต่นั้นจึงมีการยึดถือในความเป็นไว้นานๆบางครั้งแม้จะนอนจนจะตายไม่ตายแหละก็ยังไม่ยอมให้เลิกละความเป็นเหล่านั้นหรือไม่ยอมลาออกจากฐานะต่างๆเพราะกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางที่ ต, ต่ำลงนี่คือความบั่นไหวทางจิตเพราะงั้นถ้าวันใดเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ําลงก็จะเกิดทุกโทมันัดขึ้นภายในใจวันใดที่เปลี่ยนแปลงไปทางสูงขึ้น ก็จะเกิดเพลิดเพลินยินดีระเริงหลงในความเป็นเหล่านั้นแล้วก็ดิ้นกันต่อไปนันคือสภาพจิตที่หวั่นไหวตึงบางครั้งบางคราวทรงอุปมามันก็ยอดทงอยู่ปลายเแกว้งไปไปเรื่อยไม่ยอมส ง, งบนิ่งแล้วแต่ทางของโลกบางทีแม้โลมนอ่อนก็ยังหวั่นไหวได้จิตใจซึ่งถูกปรุงแต่งด้วยอาํานาจของตานามานะทิฏฐิก็มีลักษณะอย่างนั้น ในความบวนไหวอีกประการหนึ่งนั้นเป็นความบวนไหวของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจากกิเลสกิเลส ท, ที่จริงพวกมารตัญหามานาทิจิก็เป็นกิเลสแต่การที่ท่านใช้คําว่ากิเลสออกไปอีกคําหนึ่งนั้นหมายถึงอาการของตันหามานาทิจิที่อ่อนลงกว่านั้นคือไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นในชั้นของตันหาก็เป็นเรื่องของความพอใจความยินดีความกําหนัดความเพลิดเพลินความชื่นบาน ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อได้สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตนนั่นก็คือความหวันไหวเมื่อกำหนดหมายเม่อมีความพอใจซื่นชมในในอารมณ์ต่างๆจิตใจก็จะหวั่นไหวไปในเรื่องเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายพอกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นน่าดูสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนั้นน่าสนุกจิตใจก็จะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ดังนั้นในระดับนี้ไม่ถึงกับเป็นตันหา แต่เป็นประเภทที่เราเรียกว่าความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินก็ดูก็ธรรมดาธรรมดาสําหรับชาวโลกแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าความรุนแรงไม่มากนักแต่ในแง่ของใจใจก็หวันไหวหวันไหวไปตามโฆษณาโดยประการต่างๆด้วยกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดความวั่นไหวก็เห็นกันได้ง่ายงผ้าใจของบุคคลยอมรับแล้ว จะมีมีความพอใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ได้ไปก็คุ้นคิดนึกถึงปรุงแต่งถ้าได้ไปก็จะมีหน้านที่คือความเพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและในที่สุดก็จะเพลินอยู่ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆลักษณะเหล่านี้จึงถือว่าเป็นปันจจัยสําคัญที่สร้างความบันไวิให้แก่จิตใจแต่เวลาไปกล่าวรวมกันบางทีท่านใช้คําว่ามานกัเสนามาน คอเอาพวกตาณหามาณทิจีว่วิชาโลภกดลงเป็นต้นเนี่ยถือเป็นมารเป็นตัวใหญ่แล้วพวกกิเลสเด็กๆคืออาการของตัณหามาณทิฐิที่เบาลงมาเรียกว่าเสนามารดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่าพระองค์ทําลายมารพร้อมด้วยเสนาให้พินาศไปพร้อมด้วยการอุไทยขึ้นแห่งพระาทิศซึ่งหมายถึงว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น เป็นการทำลายมารพร้อมด้วยเศษนามานเศษนามานก็คือการเรียกชื่อของกิเลสต่างๆเช่นกิเลสสายโทสะก็ไม่เรียกโทสะตรงๆเรียกความไม่พอใจความไม่ยินดีความไม่ต้องการความไม่ปรารถนาความหงุดหงิดความงุ่นง่านความกระทบกระทั่งทางใจคือไม่แรงจนขนาดออกมาสร้างความร่าเริงให้เกิดขึ้นแก่จิตโดยออกมาเป็นอาการทุจริตทางกายทางวาจา แต่จิตใจก็พร้อมที่จะหวั่นไหวไปตามเรื่องเ่านันสิ่งที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความหวั่นไหวอีกประการหนึ่งนั้นก็คือกรรมได้แก่เจตนาที่บุคคลกระทํำลงไปทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจตามปกติแล้วก็สร้างความหวั่นไหวได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ในที่นี้ท่านถามปัญหาระดับสูงคือต้องการให้ตัด ความวันไหวไปเลยท่านจึงมุ่งหมายประสงค์เอาเฉพาะส่วนที่เป็นความวันไหวด้วยอํานาจของบาปของอกุศลถึงถ้าในแนวที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องเป็นความวันไหวทุกทิศทางท่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมนั้นมีอยู่3มระดับด้วยกันระดับหนึ่งก็เป็นบาปได้แก่อกุศลต่างๆทุจริตต่างๆที่บุคลคลกระทําทลงไป เวลาประลบถึงบาปถึงผู้กระทำบาปถึงอาชญากรรมต่างๆจิตใจของบุคคลก็จะหวั่นไหวที่เรียกว่ามีพิรุษแสดงออกมาให้ปรากฏแม้มีการกล่าวขวัญถึงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตนเองก็มีแผลใจอยู่หรืออย่างสำนวนที่พูดกันว่าโคสลังว่าพอเห็นกาบินก็รู้สึกเสียวหลัง บุคคลที่ทํากรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลเอาไว้เวลาพูดถึงผลบาปผลอกุศลจิตใจก็จะหวั่นไหววิตกกังวลไปด้วยประการต่างๆโดยจะมีการจับได้ให้ทันบ้างโดยจะมีการโจดท่วงบ้างโดยจะต้องตกนรกบ้างก็หวั่นไหวไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าทุกโยกครอดมากอาจจะกลายเป็นความวิปลาดทางจิตใจขึ้นมาก็ได้ อีกสายหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของกุศลระดับตั้งแต่รูปประชานลงมากุศลอะไรก็ตามที่บุคคลกระทำลงไปนั้นก็สร้างความหวันไหวขึ้นภายในใจแต่จะวันไหวในทางสูงขึ้นแต่นั้นข้อ น, นี้จะจะพบว่าไอกิจกรรมบางอย่างที่มีการพูดการเชิญชวน หรือการชี้แจงว่าทำบุญทำกุศลอย่างนั้นจะได้สวรรค์วิมานอย่างนี้เป็นเทพบุตรเป็นเทพติดาอยู่ในสวรรค์นั้นชนิดจิตใจของบุคคลจะวันไหวไปด้วยอำํำนาจของความเพลินเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกภาคภูมิในสิ่งที่ตัวได้กระทํามาแล้วว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขสร้างปัจจัยให้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่พอมีการพูดการแสดง ถึงสวรรค์ที่ประณีตขึ้นไปมองดูต้นทุนคือบุญกุศลของตนว่ารู้สึกอย่างน้อยจะขึ้นสวรรค์ไม่เหล่านั้นไม่ได้ก็ห ว, วนไหวที่จะเสริมสร้างบุญกุศลมากกิ่งขึ้นนี่คือเป็นการหวนไหวในแนวดีในแนวของวัฏะนั้นจะต้องหวันไหวพระวัฏะมีความหมุนที่เรียกว่าเป็นภาวะจักคือเป็นการหมุนไปของภ า, ายในภพทั้งหลายที่ท่นหนึ่งนั้น โดยสภาพจริงๆแล้วท่านก็ไม่หวั่นไหวแต่เมื่อมองในแง่สูงขึ้นไปก็ยังถือว่าอยู่ในความบวันไหวนั่นก็คือท่านที่ได้บรรลุอรูปฌานถึงตามปกติท่านเหล่านี้ก็จะบังเกิดในเป็นอรูปภพรมอย่างแน่นอนแต่เมื่อมองจากจุดสูงสุดคือการเป็นพระญา บ, บุคคลก็ยังคงกลายเป็นความหวั่นไหว ตอนนี้ท่านทั้งหลายคงนึกออกว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านอา拉ดาบทแลอุตกรดาบทนั้นได้รูปประชันทั้งคู่พอพระพุทธเจ้าตั้งประทัยจะไปสอนธรรมะแก่ท่านทั้งสองแต่รู้ด้วยปยวัญญาท่านทั้งสองตายไปแล้วพระเจ้าทรงเปล่งว่าอาจารย์ทั้งสองถึงความจีบหายใหญ่แล้วคือมองจุดสูงสุดของพระพุทธเจ้า าการบังเกิดเป็นอรูปประพรมนั้นยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแม้จะนานแสนนานยังไงก็ตามยังไม่หลุดพ้นจากกระแสสังสารวัฏเป็นความหวั่นไหวเป็นความโยกครอนในชั้นกุศลสูงสุดสำหรับบุคคลที่ยังวินว่าตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏความหวั่นไหวเพราะกรรมในลักษณะนี้ที่ต้องเน้นจริงๆก็คือเรื่องของอกุศลคือการที่เป็นบาปที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ เพราะจะก่อให้จิตใจไม่มีความสงบ ม, ม, มีความเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆเมื่อปรารบถึงเมื่อคิดถึงเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นบางครั้งบางคราว ค, คนที่ทําบาปทําอกุศลทวจริตไปมากเมื่อมีการพูดถึงผลของบาปผลของอกุศลเหล่านั้นจิตใจจะสูญเสียความสงบจนถึงวิตกกังวลเดือดร้อน ถูกความนึกคิดเหล่านั้นกัดก่อนจิตใจจนเป็นอาการทางจิตประสาทได้เป็นกานสรุปได้ว่าแม้จะพูดถึงหาสายด้วยกันแต่พึงสังเกตว่าความวันไหวทางใจที่เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นจะต้องมีสาเหตุมาจากหาสายเหล่านี้และทั้งห้าสายเหล่านี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะตัณหาอนัตติจิเป็นหลักการใหญ่แก่ไม่แสดงตัวเต็มที่ก็ออกมาเป็นรูปของกิเลสคือรุนแรงน้อยรงหน่อย และผลจากการกระทําด้วยอาํานาจตัหามานาทิฐิและกิเลสนั้นก็ออกมาเป็นรูปกรรมตัวการใหญ่จริงๆจึงกลายเป็นเรื่องกิเลสกับกรรมทำไมพระอาหารหันต์จึงไม่หวั่นไหวทุคคนก็จะเห็นความจริงว่าพระอาหารหันต์นั้นแปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏได้กร้ารมแห่งสังสาระจักคืออะไรก็คือวิชาตันหากรรม แม้จะพูดว่าอาวิชชาตันหากรรมก็ตามแต่แท้จริงแล้วก็คือเรื่องเดียวกับตันหาทิฏฐิมานะกิเลสและกรรมเพราะสีข้อแรกก็คือเรื่องของอวิชชาตันหาข้อสุดท้ายก็คือเรื่องกรรมในแวดวงของโลกหรือโล ก, กิยรธรรมจิตใจของบุคคลจะต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอนาจของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งบางคราวนั้นเป็นความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลทั้งหลายได้แต่ไม่รู้ขั้นต่อไปว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วใครสามารถที่จะหยุดไอ้ความวั่นวายเหล่านั้นไปได้คำถามในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าแม้คำถามที่ท่านอาชิตปานนทถามในข้อแรกที่ท่านถามโลกคือหมูสัตว์อัน อะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดซึ่งหมายความว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วท่านอาชิตทราบสองอย่างทร า, าบวโลกคือหมูสัตว์นั้นมีสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรปิดบังไว้สัตว์จึงตกอยู่ในหุ่งของความหลงเหมือนคนตกในที่มืดนี้แสดงว่ารู้ความจริงในชั้นหนึ่ง เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตัวเองพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายแล้วก็มาสรุปตรงแต่ความรู้ต่อไปของท่านไม่มีท่านั้นเมื่อมองเห็นโดยนัยนี้จะทำให้บุคคลเข้าใจทั้งความจริงในแง่ของสัจธรรมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่การเชื่อมโยงจากจุดนี้แล้วก็ไปหาจุดอื่นก็จะเห็นว่าสัจธรรมนั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกัน บางระดับไม่จําเป็นจะต้องศัตรูก็รู้ได้เพราะโลกนั้นมีองก่อนการศัสรูของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นทําให้ธรรมะในพระพุทธศาสนามีคําสอนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโบราณบัณฑิตจะเป็นเทวดามารพรมรนักปราดทั้งหลายในสมัยก่อนพุทธกาลหรือในสมัยพุทธกาลที่ท่านเข้าถึงสัจธรรมเหล่านั้นในระดับที่ปัญญาของท่านเข้าถึงได้ แล้ยุติด้วยหลักสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสัจโรพระพุทธศาสนาก็ยอมรับด้วยความจริงหล่านั้นดังนั้นคําว่าพระพุทธศาสนาจึงแปลว่าคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ได้จะปิดกั้นไว้ว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นบางระดับที่เป็นพื้นฐานของโลกทั่วไปสามัญชนทั้งหลายก็สามารถคิดได้เข้าใจได้ก็สําคัญว่าสิ่งนั้นทนต่อการพิสูจน์ ด้วยหลักเหตุผลและความจริงได้หรือไม่เท่านั้นตอนตนี้ไปก็ขอให้ทั้งใจทำความสงบสืบต่อไป